เวลาพระออกจากสาลาจะหิ่วน้ําไปถึงกุฏิมันก็ตั้งสองสามกิโลนเลยคิดให้มีถังน้ําให้สําหรับพวกพระหมูได้ใช้ได้เดิมอันนี้คือจุดประสงค์ไอ้พวกที่อยู่ใกล้าสาราก็ไม่จําเป็นใส่กาน้ําหิ่วไปฉันได้น้ําฝนที่สาราสะอาดกว่าเก็บได้ง่ายกว่าดีกว่าเนี่ยถ้าอยู่ใกล้าสาราก็ไม่จําเป็นแต่สมัยก่อนมันน้าหายากทางน้ําไม่มีมาก อยู่ใกล้สลารก็เอาทําเพื่อให้ได้ใช้ในเพียงพอในการใช้แต่ทุกวันนี้ไม่มีปัญหาแล้วน้ำาดูข้างของบริเวณสารานี่ยมนหลายถังน้ำฝนเนี่ยวันนี้เป็นวันประชมุมพวกคณะนะของเราแต่ก่อนหน้านี้ก็ได้ไประชุมกัน หาลือกันปรึกษาปารกเรื่องหลักธรรมวินัยเรื่องการเป็นอยู่อันนี้ก็พวกเราบวชเข้ามาในพรรษานี้ก็ได้เดือนกว่ า, วาแล้วเดือนกับหนึ่งอาทิตย์กว่าแล้วเป็นยังไงอันนี้ให้ถามตัวเองอย่าให้ครูบาอาจารย์ได้ถามให้ถามตัวเอง ว่าการบวชในครั้งนี้เราขาดทุนกําไรอย่างไรบ้างถ้าว่าบวชมาแล้วไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจไม่ได้ศึกษาไม่ได้พลนควน้าตำรับตาราไม่ได้ฟังธรรมเทศนาครูบาอาจารย์ไม่ได้ปฏิบัติ ด, ด้วยตนเองอยู่เป็นวันวั น, วนง่อยเหงาซึมเศร้านับวันนับคืนวันไหนจะออกไป อันนั้นแปลว่าขาดผลย่อยยับปนปีแต่ถ้าว่าเราบวชเข้ามาครั้งนี้แล้วก็ให้ตั้งออกตั้งใจว่าเราได้บวชแล้วตึกยังไงเราก็ได้บวชแล้วเป็นพระแล้วในขณะที่เราอยู่อย่างนี้เราควรจะทําตัวอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรในขณะที่เป็นพระอยู่อย่างนี้ จากนั้นก็ลงมือประคุงแก้ไขกายวาจาใจของเราพยายามค้นคว้าให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาคือไม่ให้เสียเที่ยวเสียทีที่ได้บวชเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจถึงยังไงเราก็จะได้ออกไปอยู่แล้วไม่มีใครที่จะรั้งเอาไว้ถึงเราจะคิดมากไปคิดมากมันก็ถึงวันนั้นมันก็ถึงวันที่จะออกไป เราจะไปคิดให้งโง่ทำไมต้องคิดให้ฉลาดต้องหาแนวที่ฉลาดเข้ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะถึงวันนั้นอย่างนั้นมันจึงจะถูกมาด้วยปัญญาอยู่ด้วยปัญญาไปด้วยปัญญาก่อนที่จะมาเราก็คิดดีขณะที่อยู่เราก็คิดดีเมื่อจะไปเราก็คิดดี ปล่อยนั้นพวกเราทุกๆท่านนะไม่ต้องวิตกไม่ต้องกงังวลให้อยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอเวลาฉันจังหารเสียแล้วก็อา้าไปภาวนาปฏิบัติเดินจกมกลมนั่งสมาธิแต่บางท่านก็จะถามว่านั่งสมาธิกับเดินจกมกลมเนีย่ยเราจะแบ่งเวลากันอย่างไรมากน้อยอย่างไรแค่ไหน อันนี้ไม่มีการแบ่งเวลาช่วงไหนที่เราจะเดินเวลาเราจะนั่งเราเป็นผู้กำหนดเองแต่เวลาเดินโ ก, กมเวลาไหนเนี่ยอันนี้ก็นับตั้งแต่ตีสามลงมาตื่นขึ้นมาก็ไหว้พระถึงจยะย่อหรือพิสดารก็ให้ไหว้พระและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมระสงค์จากนั้นเราก็นั่งภาวนา ไหว้พระระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วอย่าลืมแผ่เมตตาด้วยนะอแผ่เมตตาตนเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขหังสุขกิโตโหมิี่จุกโโหมิท่านได้ไม่ได้จริงจริงก่อนนะตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขจิตใจให้แผ่น้อมไปด้วยความอ่อนน้อมอุทิศสนกุศลถึงทุกวิญญาณจากนั้นเราก็ค่อยกล่าว พอกราบเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาะพอนั่งภาวนาะถ้ามันเหนื่อยเราจะลุกเดินจุด ก, กลมก็ได้จุดเทียนก็เดินจุด ก, กลมอันนี้เราจะเดินตอนเช้าะจากนั้นเราก็ออกมาบิดเท้าบาทดูทางหลังวัดมันก็ประมาณตีห้าก็ออกแล้วพอเริ่มสว่างตีห้ากว่ากว่าก็เดินมาพุโทโธพุโทโธมาเรื่อย ให้ระมัดระวังเท้าจะมีอสรุรพิษ น, นี้ก็พอมาถึงมาชันาน้นยังหันก็พอมันบิธบาทเราก็ภาวนาพุโทโธไปด้วยขณะบินทบาทไม่ต้องคุยกันอย่าไปคุยกันนี่คือโอกาสภาวนาฉะนั้นบินทบาทรอบบ้านเราก็บริกรรมพุโทโธไปด้วยขนาดที่เดินรอบบ้านให้ดูใจของตัวเองไปด้วย ใจมันสะแวบไปพยายามดูดึงกลับคืนมาหากรรมฐานขาขวาพุทธขาซ้ายโทไปเรื่อยพุทธโทพุทธโถพุทธโถจนว่ากลับออกม า, านั้นบินทบาททางหน้าวัดกรรมาชั้นอาหารจะมีอะไรกับี่มีพูดคุยกันกับพูดคุยกันในขณะที่ทำกิจวัตรตอนเชรบาดล่างบาดนิดหน่อยจากนั้นเราก็อยกย้ายกันกลับเข้ากุฏิ เข้ากุฏิแล้วจะไปเดินจงกรมอีกครั้งหนึ่งก็ได้พอเดินจงกรมเสร็จแล้วก็ น, นั่งภาวนาจากนั้นจะดูหนังสือจะอ่านหนังสือจะพักผ่อนบ้างจนถึงบ่ายโมงเกือบสองโมงก็ค่อยกลับลงมาแล้วก่อนจะกลับลงมาเราจะเดินจงกบก่อนย0่สิามสิบนาทีก็ได้จากนั้นมาฉันน้ําอะไรเสร็จเรียบร้อยกลับไปกป็ปัดกวาด ถูชลงชลาเสร็จเรียบร้อยก็กลับไปกุฏิไปเดินโยกรอีกครั้งหนึ่งเนี่แหละตอนเดินโยกรมตอนเย็นเนี่แหละเราจะเดินได้นานทีเดียวเลยอันนี้อิสระในการเดินตั้งแต่ห้าหกโมงเย็นเดินเดินถึงทุ่มสองสามทุ่ก็ได้เดินตัวนี้ตัวนี้เน่ยเดินนานเดินยาวเพราะมีเวลาช่องนิ่ว่างทีเดียวจากนั้นก็ขึ้นไปกระวายพระทำวัด นันก็นั่งภาวนากรรมฐานพุโทโธพุโทโธจากนั้นค่อยพักพรอนสีทุ่มตามปกติพระกรรมฐานท่านให้พักผ่อครูคบาอาจารย์ได้กำหนดเอาไว้สี่ทุ่มเราก็พักผ่อนอันนี้ก็คือชีวิตประจําวันของพระกรรมฐานชีวิตประจําวันเป็นอยู่อย่างนี้แต่ผลทางด้านจิตใจถ้าอีกอย่างหนึ่ง ที่เราได้ศึกษาเราได้ปฏิบัติภาวนาแต่ละครั้งเป็นยังไงใจได้รับความสงบพร่อมเย็นเป็นฉุกอย่างไรจิตใจเขาในนั่งภาวนาเป็นไงมันเนื่องไหมมันสงบไหมมันปุง่งฟุ้งซ่านไหมอันนี้ให้พวกเราสังเกตทุกครั้งที่นั่งภาวนาอันนี้ล่ะคือผลได้หรือผลเสีย ถ้าเรานั่งภาวนามีเหตคิดปลุกฟุ้งซ่งานออกไปข้างนอกเอาจิตใจไม่อยู่อันนั้นแปลว่าเสียแต่ถ้านั่งภาวนากำนลนดลมหายใจเข้าออกจิตใจนิ่งสงบสบายเยือกเย็นมีความสุขในใจิตใจจิตใจไม่ปลุงฟุง้งซ่านไม่โง่เหงาเศร้าซ้อยไม่พิโกกังวลกับอดีตอนาคต ใจอยู่กับตัวเองตลอดมีกำลังใจอยู่ตลอดใจิตใจเข้มแข็งตลอดอันนี้แปลว่าผู้ได้กำไ ร, ราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆองนะฝูดทางนี้เท่านั้นก็คือเป็นการกล่าวย้ำให้พวกเราดูด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอย่าพิตกกังวลกับอดีตอนาคต ถึงอย่างไรมันก็ผ่านไปแน่ๆนะไม่ต้องสงสัยเพราะนั่นก่อนที่จะผ่านไปถึงจุดนั้นก็ให้ภาวนาอย่างที่ผมได้กล่าวขณะนี้แหละให้ตะ ก, กุกตะเกภาวนาพยายามทําจิตให้เป็นหนึ่งให้ได้ขณะที่เราบวชในครั้งนี้จิตสงบเป็นยังไงได้ยินแต่ครูบาอาจารย์ตำรับตาราท่านพูดเอาไว้ บวชเป็นพระกรรมาฐานทั้งทีทําจิตให้สงบสักครั้งหนึ่งไม่ได้ผมว่ามันก็ไม่ดีเหมือนกันนะจะเข้าค่อนข้างที่ว่าแยกเพนาะเราไม่ได้สนใจถ้าเราสนใจผมว่าอย่างน้อยก็มันไม่สงบก็มันอยู่ล่ะจิตใจอยู่จิตใจแม่ปูงฟงุ้งซ่านให้กำหนดอยูที่ไหนก็อยู่ที่นั่นรู้เท่ารู้ทัน รู้ตัวอยู่ตลอดถ้าหาว่าเราไม่ได้ใส่ใจก็อย่างว่าจิตใจมันคิดก็เหย้ยลอยลมไปที่ไหนก็ไม่รู้คิดปุ่งฟงุงซ่านทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้ใส่ใจอันนี้ถ้าจะว่าไปตกใช่ไม่ได้บอกว่าใช่ไม่ได้บวดเข้ามาทั้งทีเปล่าประโยชน์ เพะพวกเราทุกๆท่านแะให้เปล่าประโยชน์บวชเข้ามาทั้ง4ีพยายามทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งให้ได้บริกรรมพุโทโธพุโทโธนี่แหละตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราแต่ครูบาอาจารย์ทุกตัวองถ้าเราได้ศึกษาถ้าเราได้ฟังธรรมะจากท่านแล้วท่านมีแต่ชี้ประเด็นเดียวกันทั้งนั้นน่ะให้เดินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่เทคนิคในการเดิน อาจจะแตกแตกต่างกันบ้างแต่วิธีการเดินทัพเรื่องสินสมาธิปัญญานั้นไปแนวแถวเดียวกันเพราะธรรมะไม่มีการไม่เป็นอย่างอื่นเลยมันเป็นอย่างเนี้ยอย่างที่พระแม่กูบาอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยท่านเคยประพฤติปฏิบัติมาได้ผลมากน้อยอย่างไรแค่ไหนท่านก็นํามาตีแผ่ให้พวกเราเข้าใจตามแนวแถวของ รูบาอาจารย์แต่ละองค์ถึงจะไม่เหมือนกันเปี้ยทีเดียวกับมันก็ไปคู่เคียงกันไปทำใจยังไงรู้ยังไงเห็นยังไงปล่อยวางอย่างไรอันนี้ท่านก็จะได้สอนให้พวกเราเข้าใจตามแนวแถวที่ท่านประพุตปฏิบัติมาแต่ละองค์ผมเคยเปรียบเทียบ ท่านเคยทํานาท่านก็พูดทํานาอย่างไรแต่ว่าได้เงินเหมือนกันถ้าทํามากก็ได้เป็นเศรษฐีเหมือนกันทําสวนยางทำอย่างไงทำข้าราชการเป็นอย่างไรสรุปแล้วก็คือได้เงินเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันการนั่งสมาธิภาวนาของแต่ละท่านบางองค์ก็ยากกว่าบางองค์ก็หายไปเพราะนั้นท่านจังหวัดทัานทาปิญญาคิปปะปิญญา แตลว่าทันท า, าปิญญาปลว่ารู้ได้ช้าคิด ป, ปะปิญญาภาวนาปฏิบัติรู้ได้เร็วแต่จะรู้ได้ช้าหรือรู้ได้เร็วก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องลงมือประพฤตปฏิบัติด้วยตนเองพอแม่ครูบายอาจารย์หลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านมีแต่ชี้แนวทางให้เท่านั้นเองผู้จี่จะเดินและครูจะปฏิบัติจะเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลาย จะต้องเดินตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าแนะนำสอสอนตามแนวแถวที่พระแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวให้พวกเราประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะทุกๆองคนนะน์นะในปัญษาเนี่ยก็พยายามภาวนาพยายามทําจิตให้สงบให้ได้ะนะครับเมื่อจิตสงบเราก็ น, นามาพิจารณาทางด้านปัญญาองค์ที่เป็นพระเก่านะั้น เราจะไปทําจิตให้สงบเฉยๆไม่ได้เลไม่โทพอจะเดินปัญญาเราควรจะเดินปัญญาฝึกหัดการเดินปัญญาอย่างที่ผมพูดให้ฟังนี่แหละบังคับจิตใจที่มันคิดอยู่นิ่งธรรมดาให้บริกรรมพุทโธพุทโธพิจารณาร่างกายเกษาโลมานาขาทันตาตะโจตามแนวแถวที่สอนพระใหม่อันนั้นไม่ผิดถูกต้องพอท่านพระใหม่เข้ามาบวช พระพุทธเจ้าท่านบอกมีเวลาน้อยท่านก็ยังให้สอนกรรมฐาน5ให้ถ้าหาว่าไม่สอนกรรมฐาน5ให้แปลว่บการบวชในครั้งนั้นไม่สมบูรณ์แบบการที่จะสมบูรณ์แบบให้ได้ต้องสอนกรรมฐานห้าเจลซาลุมานะขาทันตาตะโจเกสาผมลงมากวด น, นะะักขาเล็ฐทันตาฟันตะโจหนังเออมีเวลาน้อยสอนเพียงแค่นี้ก่อนนะ และต่อไปค่อยศึกษาและนำมาประพฤติปฏิบัติกต่ถ้าขอให้พิจารณาด้วยว่าเกสาผมเป็นยังไงสอนสันฐานการเป็นอยู่ของผมปฏิคูลโสโครกอย่างไงโลมาขนอยู่ยังไงนัาขาเล็บอยู่ยังไงตะโจหนังอยู่ยังไงกรรมาฐาน5าทัานตาฟันตะโจหนังอยู่ยังไงท่านก็สอนให้เข้าใจถึงจะมีเวลาน้อยก็สอน ถ้าเราสังเกตฟังดูเราก็เข้าใจได้จากนั้นเมื่อเราปฏิบัติมาถึงจุดนี้แล้วกรรมฐานทั้งอุปชาทั้งสอนให้อย่างนั้นแล้วเราก็ได้เรียนกรรมฐานตัวตนเองอีกแล้วอุปชา ก, า, กาก็สอนอีกเราก็จําได้กรรมฐาน5คืออะไรจากนั้นเราก็นํามาประพฤติปฏิบัติภาวานาตัวเอง วันนั้นผมอยากจะให้หมูโปกเพื่อนทุกองนะภาวนาพิจารณากรรมาฐานตอนที่ทําจิตให้สงบเปิดคือภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่ให้จิตใจปูงฟุ้งไปทางอื่นแต่ส่วนพิจารณาร่างกายนั้นให้ใช้สัญญาสังขาร น, นี่แหละคิดปูงฟุง้งออกไปแต่แยกมันฟุง้งเติบเิบเปิดเปิงจนเอาสติร่างมาอยู่ไม่ใช่อย่างนั้น จิตเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นก็กำหนดเกษาผมเป็นยังไงลักษณะสันฐานเป็นอย่างไรเกษาผมลมาโคนนาคาเลธันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าลีเดดีดเดสเลือด สิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่กายของเราไม่ใช่เหรอถ้าว่าเราพิจารณาร่างกายของเราให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเราก็ไม่รู้จะลุ่มหลงมัวเมาไปกับสิ่งเหล่านั้นทำไมมากมายนักหนาถ้าเราพิจารณาได้อย่างนั้นแล้วผมเองคิดว่า มันตัดกิเลสส่วนลึกของเราไม่ใช่น้อยเหมือนกันไม่ใช่ว่าเรานั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธทําผิดให้สงบเราจะเป็นการตัดทอนกิเลสไม่ใช่หรือว่าการพิจรารณาร่างกายสังขารเตียนนานดินน้หลมไฟพินาอสุภาษิกุมอ่า น, นังกอบ มันเป็นเกินตัดกิเลสขณะพิจารณาเมื่อก็ตัดอยู่แล้วจนกว่าพิจารณาตกลงเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรที่พิจารณาแล้วเห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรที่จะกอกโกหกตัวเองอีกแล้วการที่มาพิจารณากับพะเอีกก็เหมือนกับมันโกหกตัวเองแต่ตามไม่จริงมันรู้แล้วว่าร่างกายสังขารมันเป็นอย่างไงแต่เมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วเราก็ปล่อยวางที่ใจของเรา มันไม่ใช่บัวปล่อยวางที่อื่นทำมะเลยนะพูดแล้วพูดอีกมันปล่อยวางอยู่ที่ใจของเราเมื่อใจปล่อยวางแล้วจะจิตใจก็หลุดพ้นพอวางภาระหมดแล้วโงงภาระหมดแล้ววางภาระหมดแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นนะไม่แบกภาระอีกแล้วแบกให้โง่ทาไมเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเห็นชัดเจนอยู่แล้วอนิจจังทุกขังอนัตตา อ น, นุจาระของไม่เที่ยงทุกขังกัเป็นทุกอนัตตามไม่ใช่ตัวตนของเราขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งอื่นจะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรขนาดพิจารณาร่างกายตัวเองแล้วกัพิจารณาถึงใจของตัวเองอีกใจของเราลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งเหล่านั้นทําไมเราจะไม่เห็นตามความเป็นจริงอยู่เหรออันนี้ถ้าพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วก็เห็นเขาตายเป็ยังไง อีกกวันหนึ่งเราจะตายพี่น้องญาติพี่น้อ ง, พ, องพ่อแม่ปูย่ย่าตายายโลงสาคานายาติลมหายตายจากให้เราเห็นเป็นสถีพยญญานเราอยู่เราทําไมจริงจะไปลุ่มหลงมัวเมาบางคนมากควรดันก่อนเลยเห็นขบวัติญาติโฉมบางคนก็ร้องไห้กับคนตายในพระพุทธเจ้าจะไปร้องไห้ทหําไมคนตายพอคนตายถึงยังไงยังไงมันก็จะต้องตายอยู่แล้ว ไม่ตายวันหนึ่งมันก็จะตายวันหนึ่งอยู่แล้วถ้าร้องให้กับคนตายกับน่าจะร้องให้กับคนที่ไม่ตายอีกเพราะมันจะตายต่อไปอีกอยู่อราพอเห็นคนก็ร้องให้ใเส็ม่มันก็บ้าธนาบ้าเลยฮะร้องให้กับคนตายแล้วกับคนไม่ตายอต่น่าจะร้องให้อีกเพราะสิ่งเหล่านี้พวกเร า, น, าเนี่ก็จะตายอีกเหมือนกันร้องให้ทั้งคนตายร้องให้ทั้งคนไม่ตายไปจะทำยังไง อันนี้คือทำคำส่งสอนของพระพุทธเจ้าในอดีต ท, ท่านไม่สะทกสะทานกับความตายท่านบอกว่าพิจารณาดูแล้วจะทํำยังไงได้เกิดมาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้มีทางเดียวเท่านั้นอนะ่ะจะทํายังไงจริงจะพ้นทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในพระธรรมสงสารนี้อีกถ้ามาเกิดแล้วก็ต้องตายไม่เป็นอย่างอื่นไปได้ อันนี้แหละเราพิจารณาจะพิจารณาตามความเป็นจริงให้เห็นอ น, นิจจังคือของไม่เที่ยงผู้ขังคือเป็นทุกข์อนัตตามิใชยตัวตนของเรามันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่กายวาจาใจของเราเนี่แหละหละักพระพุทธเจ้าปรักของพุทธศาสนาผมก็เคยย้ำหลายครั้งท่านมันได้ย้ำที่อื่นท่านดูที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าส่วนรูปร่างกลางตัว ร่างกายสังขารที่มองเห็นกันอยู่เนี่ยท่านพระเดชชนใจรูป่างกลางตัวจเจ็ดร็จสวยงดงามขี้ลาล่ี้เละตาบอดงูหนวกยังไงก็ตามมันก็เป็นของโลกสมมติอยู่นี่แล้วมันแก้ไขปรับปรุงไม่ได้อย่างสมบูรณ์อย่างเต็มที่อยู่แล้วถึงจะปรับปรุงแก้ไขก็ได้ไปส่วนหนึ่งเท่านเองจะปรับปรุงแก้ไขให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เพราะโลกอนิจจัง แต่ทีงไงเจ้าตัวเองเป็นเจ้าของกายเราก็ต้องพิจารณาอีกพร้อมที่จะปล่อยวางร่างกายของตนเองอีกพอร่างกายสังขานที่จะปล่อยวางหรือไม่ปล่อยวางมันก็ไม่เป็นมิตรเป็นสหายของเราอยู่แล้วพร้อมที่จะไปพกมันตามลําพังมีแต่เราแต่ตามไปง้อไปงอนมันดูแลประคับประงงมงมัน พาอาบน้ำกินข้าวพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายดูแลหยุกยายากับยาเอาไว้ดูแลอย่างทะนุถนอมสรุปแล้วก็คือคิดว่ากายนี่เป็นของเราแท้แต่ส่วนลึกที่แท้แล้วมันไม่ใช่ของเราถึงจะเลี้ยงดูดีขนาดไหนร่างกายนะี่ก็จะต้องแก่เจ็บตายในที่สุด ผลที่จุดกระจายของเราของทุกขเวทนาเข้ามาเหยียดย่ําหัวจิตหัวใจของเราน่นแหละทะ่านเลตะลีตะเหลือกระทะนันทุกยากลําบากผลที่สุดมันก็แตกไปต่อหน้าต่อตาถึงจะร่างยังไงถึงจะคิดยังไงบางคนก็ยังไม่เห็นโทษว่าร่างกายนี่จะอยู่กับตัวเองชั่วฟ้าดินสลายแต่ที่แท้ไม่เป็นอย่างนั้นอีกสักวันหนึ่งมันก็จะต้อง แต่แยกสลายออกไปจากความคิดของตัวเองใจของตัวเองตื่นเลแหละเป็นทุกข์เป็นร้อนแบบว่าวีอ้างว่างแบบว่าเนี่ย ร, ร่างกายไม่อยู่กับตัวเองเนี่ยบางโคนมากกว่านั้นกับภผมผมบมาบําดาพี่พพพพพดา่ดาน้องด่าลูกด่าล้านยาด่าใครด่ามดด่าหมอไปเลยนี่ว่าตัวเองมีเงินมีคำทรัพย์สมบัติพร้อมที่จะรักษาตัวเองได้ไม่ว่าให้รักษาให้หาย จะไม่รักษาได้ยังไงผมมันถึงคราวมาแล้วมันก็ต้องจำเป็นจันใจต้องปล่อยวางมันรู้เท่ารู้ทันรักษามันไม่หายแล้วก็ต้องปล่อยวางถึงจุดจบเพราะไม่มีใครที่จะอยู่โซฟาดื่มสลายนได้มดหมอเองก่อนจะต้องพมหายตายจากไปเหมือนกันนี่แหละให้พิจารณาตามความเป็นจริงอย่างนี้ แต่เมื่อพิจารณาตามความเป็นจริงอย่างนี้ทบทวนหลายครั้งหลายหนเผื่อมรณะภัยเข้ามาถึงเรือ่อสิ่งใดเข้ามาถึงคนอื่นมรณะภัยมาถึงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เรารักครบรับถือมรณะภัยเข้ามาถึงจิตใจของเราก็ไม่ว้าเหวไม่อ้างว้างอยอมรับได้ทุกสถานการณ์เพราะเราได้พิจารณาไว้ อย่างเต็มที่อยู่แล้วไม่เป็นอย่างอื่นพิจารณาเมื่อไรไม่เป็นอย่างอื่นเป็นอย่างที่เราพิจารณาแน่นอนร่างกายสังขารนั้นนี่คนอื่นตายเ็าเพิ่งตายเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นเองอีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้เห็นเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหลง่านี้ให้พวกเราทบทวนพิจารณาไว้อยู่เสมอมรณงเมภาวิสติข้าพเจ้าจะต้องตายแน่นอนไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่ง นี่แหละเมื่อพิจารณาถึงความตายของตัวเองแล้วจิตใจจะไม่เศร้าหมองหรือจิตใจจะไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนกับสิ่งที่เราได้พิจารณาหรือสิ่งเหล่านี้ก็ควได้เคยถามมามากต่อมากถึงเราจะพิจารณาหรือไม่พิจารณามันก็เป็นไปอย่างนั้นเพราะฉนั้นเราควรพิจารณาไว้ดีกว่าพอเตรียมความพร้อมในความไม่ประมาท ถ้าว่าพวกเราไม่เคยคิดอะไรไว้ก่อนถ้าพวกคุณจะต้องตายนะท่านจะต้องตายนะท่านเป็นมะเร็งรณ้ัดขณะนี้ตะดับที่สองที่สามที่สี่แล้วนะนะเข้าอ่อนทันทีตาค้างทันทีเผยเผยยังไม่ถึงกับหมดตายก่อนอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะมันตกใจเพราะไม่เคยคิดไว้ก่อนแต่ถ้าว่าพวกเราได้คิดไว้ก่อน คิดว่อยู่เสมอว่าร่างกายนี้จะต้องแตกต้องตายใช่ทันทีเราจะใช้ได้จะต้องเกิดโรคไปแค่เจ็บไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งไม่ครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งอาจจะไม่ถึงยืนยาวต่อไปถึงอายุไขก็ได้อายุไขทุกวันนี้คือเท่าไรเ75ปีเป็นอายุไขมนุษย์ยุคสมัยทุกวันนี้ถ้าว่าต่ำกว่านั้นแปลว่าต่ำกว่าอายุไขถ้าเกินกว่านั้นแปลว่าเกินอายุไข อายุไขมาตรฐานของชีวิตมนุษย์คือเดี๋ยวนี้เจ็ดสิบห้าปีแต่เราจะถึงอย่างนั้นไหมไม่มีใครรับรองได้ตัวเองก็รับรองไม่ได้ใครๆก็รับรองไม่ได้ว่าตัวเองจะยืนยาวไปถึงอายุไข่เพราะฉะนั้นพวกเราควรจะคิดไว้ก่อนนั่นมะระนางเมผวาเจติตัวนี้ต่ตต่อตัวนี้ต้องเตรียมตัวไว้อยู่เสมอถ้าเราได้เตรียมตัวไว้แล้ว จิตใจมันมีหลักไหมจิตใจมั่นคงจิตใจไม่บอกแฟะจิตใจมันจะไม่ววาเวอ้างว้างจิตใจรู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวรู้เขารู้เรารู้อดีตรู้อนาคตรู้การเป็นอยู่รู้ว่าร่างกายสังขารเนี่ยจะไม่ยืนยาวรู้ว่าร่างกายสังขารเนี่มันจะต้องไปตามสภาพของมันไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งแน่นอนไม่ต้องสงสัย เนี่ยถ้าเราได้พิจารณาอย่างนี้อยู่เสมอใจของเราก็จะเข้มแข็งนะมีโลกธรรมแปดที่มันไม่พึงปรารถนาเข้ามากระทบก็พร้อมที่จะรับได้แบบยิ้มแย้มแจ่ ม, มใสไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับโลกธรรมแปดเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกนะเพราะฉะนั้นพวกเรา ท, ท, ทุกท่านนะให้ภาวนา บวชมาทั้งทีการเรื่องหลักทาวินัยกับพยายามจะให้ขาดตกบกพ้่องให้สมบูรณ์เวลาเราออกไปเป็นกระวาดญาติโยมก็ให้ภาคภูมิใจในตัวเองว่าอื้อเราบวชเข้ามาครั้งนี้เราแต่ปฏิบัติตามแนวแถวที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ในพระวินยัยเราก็ภาคภูมิใจตลอดไป แต่ถ้าเราทําตัวไม่ดีแล้วเราจะเสียใจนะคิดขกินมาเวลาไหนก็ที่สิบวันมันมีมนทินจิตใจเหมือนส ม, มินมันมีแผลอยู่ออถึงตัวเองจะไม่ได้ออกไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นแค่แ ค, คมันออกไปแล้วมันก็จะเป็นแผลเป็นอยู่ดูในจิตในใจของพวกเราควรทัณฑ์ให้มันเป็นอย่างนั้นออกไปก็ถือความใสสะอาดบริสุทธิ์ขณะที่อยู่กับตั้งอกตั้งใจใสสะอาดบริสุทธ แต่เมื่อเป็นครวาญญาจมก็นั่นแหละที่นี่คิดขึ้นมาเวลาใดก็เป็นที่พึ่งทั้งด้านจิตใจจิตใจจะไม่ว่าเวว่าวุ่นอ่างว่าเงียบเล่าอ่ะอันนี้คือให้พวกเราหาหลักใจให้กับตนเองหลักใจคือคือหลักธรรมนั่นแหละหลักธรรมคือคือความถูกต้องเป็นธรรมหลักธรรมคือคือหลักเหตุผลอันนี้แหละคือที่กล่าวมาเกือบทั้งหมดนั่นก็คือเรื่อง จะจัดเขาเป็นหมวดสินการเป็นอยู่ร่วมกันแต่ในเรื่องสมาธิก็ให้ตั้งอกตั้งใจให้เอาจริงเอาจังกับกรรมฐานไหนบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้แนวแน่กับกรรมฐานนั้นนั้นอย่าไปคิดปูงฟุกไปทางอื่นถ้าจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วเน่ก็จะถามว่าจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วอีกนานเท่าไหร่จะพิจารณา อันนี้เราเราไปต้องคิดคือมาจิตใจสกบเพ่อให้มันสงบไปก่อนให้รู้จักทางเข้าทางออกมันเข้ายัางไงเข้าสมาธิเลวลาเข้าสมาธิเราทําใจยังไงเราคิดยังไงแต่มันไม่เหมือนมันจะไม่เข้าอย่างเก่านะเราจะไปทุกกับมันเออวันนี้ภาวนาทำไมจิตใจเย็นสบายมีความสุขจริงๆมันไม่ได้คิดปรุงฟุ้งไปทางไหนจิตใจปล่อยวางสบายสบาย แต่พอวันต่อมาอีกมันกับไฟนรกเผาทีนี่เอาเข้ายัางไงมันก็ไม่เข้าสิ่งเหล่านี้มันเคยพบเคยเจอเคยเห็นมาทั้งนั้นแหละสำหรับผู้ปฏิบัติก็เมื่อมันไม่เข้าก็ารู้ว่ามันไม่เผาไม่ต้องทุกข์กับมันในเมื่อกิจใจเข้าสู่ความสงบก็เอารู้ว่ามันสงบไม่ต้องคิดกับมันอะไรมากทําตามหน้าที่ไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆ ภายในพวกเราให้รู้นะทั้งสองเงินนี่แหละจิตใจมันเป็นยังไงจิตใจมันเข้าสมาธิไปได้จิตใจเข้าสมาธิได้สิ่งเห่านี้ให้เรารู้เอาไว้ไม่ต้องเสียใจทั้งสองข้างอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจที่มันเกิดขึ้นแต่เราพยายามทําเหตุสร้างเหตุให้เพียงพอทําไปเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อ ย, อ ย, อยภานาไปเรื่อยกาหนดไปเรื่อย แต่ให้จริงให้จังอยากไปทําแบบสุกอภาพากินแบบรอเล่แหละการพิจารณาเหมือนกับเรานอนร่างกายเรานอนพุ๊บลงไปแล้วก็กำหนดาแบง่งครึ่งลนร่างกายของเราเป็นยังไงตัดไตชายปุงเราเป็นยังไงกระปุงกระเพาะเป็นยังไงสมองเป็นยังไงในร่างกายของเราเราก็คิดโอ้มนุษย์ของเราเนี่ยมีเพียงแค่นี้ เราทําไมไปหาลุ่มหลง ม, มัวเมากับสิ่งเหล่านั้นจนลืมหูลืมตามไม่ขึ้นเพราะอะไรเราหลงมากเกินไปแล้วเหรอก็ถามตัวเองไว้อยู่เสมอแต่ถ า, ถามตัวเองมาอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเราจะทําเราจะอยู่ณนะสถานที่ใดเราจะทําอะไรเราจะไม่มีความลุ่มหลง ม, ม, มัวเมากับร่างกายสังขาร น, นั้นจะไม่เฮฮา สนุกสนานจนลืมตัวนั้นพอให้พวกเราสำเรยกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดดีนะแล้วจะนำไปประพุทธปฏิบัติพวกเราจะพบแต่ความสุขความเย็นใจพอสำคัญอยากจะย้ำอีกเสมอว่าให้จริงจังให้จริงใจพวกเราจะไปพบของจริงในใจของเรา จากนั้นพิจารณาทางด้านพยากรณาร่างกายสังขารพิจารณาไตรลักษณ์ในจังทุกขังอนัตตาพิจารณาธาตุสิ่งติน้ำบ่มไฟเนีลยมันอยู่ในร่างกายนี่ขี่ใคยออกไปมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมไม่เป็นอย่างไงเวลาตายไปแล้วไปขึ้นอื่นเห็นไหมตัวผิวดำไปหมดผิวค้ําไปหมดผิวแหล่ไปหมดทำไม่เผาง่ายบเลย ถ้าเผาห่าร์ออกเป็นกระดูกไปมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เราจะไปสุขไปทุกข์กับมันได้หรือมีแต่เรารู้เท่ารู้ทันพิจารณาตามความเป็นจริงเทนั้นอันนั้นแหะคือหน้าที่ของพวกเราให้เห็นตามความเป็นจริงนั่นหละหน้าที่ของพวกเราถ้าเราไม่เห็นตามความเป็นจริงนี่ยมันต้องทุกข์พอเราอยากจะให้มัน ไปอย่างที่เราต้องการไม่ย อ, ยกกมยอยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายมันทุกข์ในใจแต่ทุกคนก็คิดอย่างนั้นละไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บจะยากตายแต่รักษาแต่รักษาก็ให้รู้ว่ารักษามันไม่หายนะมันจะไม่มันอีกสักวันหนึ่งจะต้องตายนะเที่ว่ามันจะไปคิดนะว่าตัวเองจะไม่ตายรักษาอย่างไรมันก็ต้องตายนถ squeeze, ้าได้คิดไว้อย่างนั้นเสมอเนี่ย ความลืมตัวก็ไม่มีได้บ้างหรือจะเรียนยังไงก็ได้หรือยังไงก็ได้แต่เราจะต้องทำให้ดีที่สุดทำดีที่สุดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจถ้าสิ่งได้นไม่ดีเราจะไม่ทำเราจะทำให้ดีที่สุดอ่านี่แหละเรารู้จักหน้าที่ตัวเองอย่างนั้นแล้วไปอยู่หนสถานที่ใดไม่หนักใจใครทั้งนั้นตัวเองก็ไม่หนักใจกับเจ้านายก็ไม่หนักใจ อยู่ก็คล้ายๆไม่นักใจพอเราใช้ปัญญาพิจารณาหมดแล้วยังไงก็ได้ทำไม่หนักหนาะทาไม่ผิดทำไม่ไถ้าไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองถ้าเป็นธรรมเลยยังไงก็ได้เอาเลยเเรายอมรับด้วยทุกสถานการณ์นั่นแหละถ้าคนมีธรรมในใจนจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราฝึกหัดนะฝึกหัดพยายามให้มีธรรมอยู่ในใจ ถ้มีทำอยู่ในใจแล้วมีจัความเป็นรลมเย็นเป็นจูบรู้จักปล่อยรู้จักวางนะนะั่นแหะรู้จักเขารู้จักเรารู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักสิ่งควรไม่ควรมันบอกอยู่ในใจทั้งหมดทนะ่านเอาต่อเนี้ไปพวกเรานั่งภาวนาณนะที่นี่นะะวันนี้อากาศเย็นสบายฝนลินเปร่อยๆ ย, ยด้วยวันนี้พยายามนั่ง ใ, นนให้นานที่ถุดเท่าที่จะนานได้ในวันนี้นะ